จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13าเมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิวันฟังธรรม และเป็นวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเป็นวันสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะพวกเราจะได้มีโอกาสได้มากระทําเหตุที่จะทําให้เกิดมงคล น, นี้นั่นเองมงคล ที่พูะเจ้าทรงตัดไว้นั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันมีอยู่อย่างหนึ่งทรงตัดสอนก็คือบูชาจ้ปูชนียานังเอตัมมังกลามุตตมังการบูชาบุคคลที่พึงแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับชีวิต <Yeah. S 1> บุคคลชนิดใดบ้างที่เป็นบุคคลที่ เหมาะสมก่อการบูชาก็มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระอริยสงสาวกพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมกูบาจารย์บิดามารดาปุยาะตายายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ สมควรต่อการกราบไหว้บูชาจึงเป็นธรรมเนียมของชาวไทยเราในวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานเราจึงมีพิธีลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพความนับถือแสดงความกระตัญญูกระวเวที ต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้ใดก็ตามถ้ามีความกตัญญูกตวเวทีแล้วย่อมจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตบุคคลใดก็ตามถ้าไม่มีความกตัญญูบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ไม่เจริญไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมไม่มีใครอยากจะอุปถัมภ์ค้ำจุน ส่งเสริมช่วยเหลือเพราะเป็นเหมือนกับอสารพิษหรืองูพิษนั่นเองไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้เพราะคนที่ไม่มีความกตัญญูนั้นจะทําอะไรไปตามความพอใจของตนถ้าเกิดมีความโกรธเกิดมีความไม่พอใจขึ้นมา ก็จะทำร้ายได้แม้กระทั่งผู้ที่มีพระคุณดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความกตัญญูเป็นอย่างยิ่ง บุคคลใดก็ตามที่มีพระคุณกับเราเราต้องระมัดระวังเสมอเวลาที่เราจะพูดเราจะทำอะไรกับบุคคลนั้นขอให้เราคำนึงถึงพระคุณของเขาแล้วเราจะได้มีความสรมรวมระงับดับอารมณ์ต่างๆได้เพราะถ้าเราไม่ฉชนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ดีไป คนเราดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเรียงนามไม่ได้อยู่ที่สกุลแต่อยู่ที่การประพฤติของตนนั่นเองดังนั้นขอให้เราจงเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณของเราในเบื้องต้นเรามาวัด เราก็มาบูชาพระรัตนตรัยกาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกจะไม่มีโอกาสที่จะรู้ถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของตนไม่รู้ถึงความทุกข์ที่ตนต้องแบกต้องหาม ไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทั้งหลายได้มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันจตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่รู้และได้ประพฤติปฏิบัติตนเองจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปหมดสิ้นแล้วจึงทรง มีพระเมตตากรุณานำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเรามีความเชื่อนำไปปฏิบัติเราก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันและสิ่งที่ทรงสอนในเบื้องต้นก็คือสอนให้เรามีความกตัญญูกตวเวทีนี้เอง ให้เราบูชาคุณต่อผู้มีพระคุณเสมอการบูชาก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับเกแรกเรียกว่าอามิศบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของและระดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคือการประพฤติตนให้อยู่ในทรรมนองครองธรรม ให้ประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการบูชาทั้งสองประเภทนี้พระองค์ทรงตรัสว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นการบูชาที่จะส่งผลให้กับผู้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนการบูชาด้วยอมิสบูชานี้เป็นการเริ่มต้น เป็นการฝึกฝนให้ตนได้น้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติบูบชาต่อไปเช่นวันนี้เรามีพิธีรดน้ำกันด้วยน้ำหอมน้ำอบด้วยดอกไม้นี่เรียกว่าเป็นอามิสบูชาคือแสดงความเคารพนับถือด้วยการให้ ของต่างๆเช่นดอกไม้น้ำอบน้ำหอมเป็นต้นแต่ผู้ที่มีพระคุณกับเราทั้งหลายนั้นสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างยิ่งนั้นไม่ได้ที่การกระทําของเราต่อท่านด้วยการลดน้ําแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาที่แท้จริงก็คืออยากจะให้เราทุกคน มีความสุขมีความเจริญปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เองถ้าพวกเรามีความเคารพนับถือและอยากจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีอยากจะแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณขอให้เราปฏิบัติ ตามคำสอนของท่านเหล่านั้นเถิดทุกท่านท่านก็สอนให้เราทำดีให้เราละความชั่วให้เราเสียสละให้เราเป็นคนมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นการบูชาท่านเหล่านั้นอย่างแท้จริง ท่านก็จะมีความสุขที่เห็นเรามีความสุขและความเจริญดังนั้นการบูชานั้นจึงต้องถือการปฏิบัติบูบชาเป็นหลักแต่อาศัยอามิยสบูชาเป็นจุดเริ่มต้นสแสดงถึงเจตนาสแสดงถึงความความเชื่อมั่นในคำสอนของผู้ที่สั่งสอน เพื่อให้เขาจะได้มีความสุขและความสบายใจดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนพยายามปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีเสมอให้คิดดีพูดดีและทำดีถ้าเรามีความคิดไม่ดีก็ขอให้เราระ ง, งับเสียเมื่อเราระ ง, งับความคิดไม่ดี การกระทำก็จะไม่การกระทำไม่ดีก็จะไม่ปรากฏตามมาการพูดที่ไม่ดีก็จะไม่ปรากฏตามมาสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือสติเราต้องคอยเฝ้าดูใจของเราดูอารมณ์ของเราที่มีการเปลี่ยนไปอยู่เสมออารมณ์ของเรานี่สามารถแกว่งจากร้อนไปหาเย็นได้ แว่งจากเย็นไปหาร้อนได้เวลาเย็นความคิดก็จะเป็นไปอย่างหนึ่งเวลาร้อนความคิดก็จะไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูอยู่พอเรารู้ว่าใจเราร้อนแล้วเวลาใจจะคิดไม่ดีก็จะหยุดคิดทันทีเพราะเราคอยเฝ้าดูอยู่แต่ถ้าเราไม่เฝ้าดูที่ใจ พอใจร้อนแล้วจะเริ่มคิดไม่ดีจะเริ่มโกรธจะเริ่มเกรียดสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ทันทีเช่นเวลาเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนมาขัดขวางไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีถ้าเราเฝ้าดูใจของเราอยู่เราจะรู้ แล้วเราก็จะระงับดับความร้อนในใจได้แต่ถ้าเราไม่ดูใจเราเราไปดูคนที่เขาทาให้ใจเราร้อนขึ้นมาก็จะทำให้เราอยากที่จะทำอะไรกับคนที่ทำให้ใจเราร้อนเราอาจจะไปพูดไปว่าเขาหรือไปกระทำในสิ่งที่เสียหายต่อไปแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา วุดนวายกันไปหมดเพราะไม่มีสติไม่มีการเฝ้าดูอารมณ์เฝ้าดูความคิดของเรามัวแต่ดูสิ่งภายนอกเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีใจตามสิ่งนั้นไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เสียใจตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยไม่เคยหันมาดูที่ใจของเราเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างกำลังเป็นบ้าหรือว่ากำลังเป็นปกติ คนบ้าจึงไม่รู้ว่าตนเองบ้าเหมือนคนเมาเหล้าไม่รู้ว่าตนเองเมาเหล้าเพราะไม่เคยดูที่ใจของตอนเองเลยนี่คือเพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นสตินี้แหละเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายจเจริญให้มากจเจริญให้มีอยู่กับตอนอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดอะไร ขอให้รู้อยู่เสมอว่ากำลังคิดอะไรไม่ว่ากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่ก็ขอให้รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธหรือเปล่าตอนนี้กำลังโลภหรือเปล่าตอนนี้กำลังหลงหรือเปล่าตอนนี้กำลังอยากได้อะไรหรือเปล่าตอนนี้กำลังเกลียดอะไรหรือเปล่าเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เรา ไปคิดไม่ดีต่อไปถ้ามีอารมณ์เหล่านี้เราควรหันมาระ ง, งับดับมันเสียอย่าไประ ง, งับดับมันจากภายนอกสิ่งภายนอกนี้ไม่สามารถระ ง, งับดับใจของเราอารมณ์ต่างๆของเราได้ยิ่งไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจเราก็จะยิ่งโกรธยิ่งเสียใจใหญ่ ในเบื้องต้นท่านสอนให้ดึงใจกลับมาดึงกลับมาด้วยพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจหรือทาให้เราอยากได้ทำให้เราหลงเพราะยิ่งคิดจะยิ่งอยากได้ยิ่งหลงยิ่งโกรธยิ่งเสียใจมากขึ้นไปถ้าเราดึงใจเรากลับเข้ามา ให้ห่างจากเรื่องที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายพอไม่นานใจก็จะลืมเรื่องเหล่านั้นไปเมื่อลืมเรื่องเหล่านั้นไปแล้วใจก็จะเย็นกลับเย็นเป็นปกติจะสบายใจพอสบายใจแล้วเวลาเห็นเรื่องราวต่างๆที่เมื่อกี้นี้ทำให้ตนเองต้อง ว, ว่หุ่นวายก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป สามารถปล่อยวางได้อะไรจะเป็นก็เป็นอะไรจะไปก็ไปใครพูดอะไรก็พูดไปแล้วใครทำอะไรก็ทาไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องมาเสียอกเสียใจมาวุ่นวายไปอกีกเสียอย่างเสียข้างนอกก็พอแล้วอย่าเสียข้างในเสียข้างในนี่เสียหมดเลยเสียข้างนอกนี้ถ้าข้างในยังดีอยู่ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเราสามารถหาใหม่ได้ของข้างนอกมีมากมายกายกองคนมีเป็นล้านเป็นแสนเสียคนหนึน่คนหนึ่งไปทำไมจะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมีคนอื่นมีคนที่ดีกว่านี้รอเราอยู่อีกมากมายนี่คือวิธีมองโลกในแง่ดีบางคนนี่คิดไม่เป็นพอเสียสิ่งที่ตนรักไปเท่านั้นก็ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตาย บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นก่อนแล้วก็มาฆ่าตัวเองตายแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะทำแบบโง่เขลาเบาปัญญาปราศจากสติปัญญานั่นเองไม่มีสติดูใจไม่มีปัญญาแยกแยะปล่อยวางถ้าเรารู้มีปัญญาสักอย่างแล้รับรองได้ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะพูดได้ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเป็นอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งไปก็ได้วันนี้ดีแสนดีพรุ่งนี้ก็กลายเป็นร้ายแสนร้ายก็ได้เรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่เสมอ คนที่ไม่เข้าใจรู้ไม่ทันก็จะเสียอกเสียใจทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างเป็นปกติกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทำอะไรนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของตนเองนั่นเองไปดูแลรักษาสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องไปดูแลรักษาคือสิ่งต่างๆภายนอกคนต่างๆ ไม่ต้องไปดูแลรักษาเขาเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ดูแลรักษาใจเราก่อนรักษาใจให้ดีแล้วค่อยไปดูแลรักษาคนอื่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถรักษาทั้งเราและเขาได้แล้วในที่สุดก็จะทำลายกันเองไปในที่สุดดงนั้นเบื้องต้นขอให้เราดูแลรักษาใจของเราให้เป็นปกติอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจพยายามรักษามันไปให้ได้ตลอดนอดฝั่งเถิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปรองมันชั่งมันอะไรจะเกิดเราไปห้ามมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเรา ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราก็จะไม่มีใครต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ทุกวันนี้พวกเราทุกคนต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกันทุกคนก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากของเรานั่นเองดังนั้นเราต้องปรับใจของเราอย่าไปอยากอย่าไปต้องการให้ยินดีตามมีตามเกิด ยินดีกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตเราขณะนี้เราเป็นอย่างไรก็ขอให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เราได้อะไรมาก็ขอให้เราพอใจกับสิ่งที่เราได้รับถ้าเรามีใจที่เป็นกลางอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขไปตลอดจะมีมากมีน้อยไม่สาคัญคนมีมากแล้วใจทุกวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับ จะมีประโยชน์อย่างไรสู้คนไม่มีอะไรเลยแล้วนอนหลับสบายกินก็อร่อยทำอะไรก็หัวาะเบาใจอยู่เสมอเพราะใจเขาดีนั่นเองใจได้รับการดูแลใจไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่อยากกับสิ่งต่างๆมีอะไรก็มีไปตามมีตามเกิดอยากจะได้อะไรก็หามาตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี นี่คือวิธีที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความดีได้ถ้าใจเราดีแล้วเราจะคิดดีเสมอพูดดีเสมอทาดีเสมอและเมื่อเราคิดดีพูดดีทาดีแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำดีคิดดีพูดดีนี่เอง ไม่ได้เกิดจากสิ่อื่นใดในโลกเกิดจากการกระทำทั้งสามส่วนนี้คือการคิดการพูดการกระทำที่ดีฉะนั้นขอให้เราจงเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเช่นวันนี้คิดว่าจะทำบุญจะไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปลดน้ำทำหัวจะคิดจะเป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น วันนี้จะไม่เสพสวรายาเมาและจะไม่เสพอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเจริญเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านก็เจริญด้วยวิธีนี้ท่านคิดดีพูดดีทำดีเสมอจนในที่สุด ทำให้ท่านได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ประเสริฐให้พวกสัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะการที่มีสติเฝ้าดูใจให้คิดดีเพื่อจะได้พูดดีทำดีนั่นเองดังนั้นในวันสงกรารนี้จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐนี้มาประพฤติปฏิบัติ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 แ้ะท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันะสุขะพาละโดยทั่วหน้ากันเธอ